คุณสมใจสมใจต่อชือจริงเขาเขาสมใจนะพระสมจิตนะสมจิตค่ะเออนั่นแหละอันนี้ชื่อใหม่ชื่อเก่าคือสมใจไม่ใช่สมจิตค่ะกราน้ำสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านค่ะ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 ทีนี้น่าโดยวิธีแก้ที่ถูกเหตุถูกผลเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้สมาธิตรงนั้นไปบังคับเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุทีเดียวนะต้องต้องหาเหตุว่าโลกนี้มันโลกกายต้องแก้ที่เหตุของกายถ้าเอาจิตไปบังคับก็ถูกระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะช้าที่ว่ามานะมันจะช้าแก้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันคือทางใจก็คือหมายความไม่ให้มันกระวนกระวายไปกับอาการตัวนี้ทางกายก็คือต้องหาวิธีแก้ที่ถูกเหตุของมันแต่เดี๋ยวนี้มีหลายวิธีนะ โอเคก็ขออนุโมทนาด้วยนครับ